คนที่ศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยนะเอ๊มันก็น่าจะใช่ใช่ไหมศึกษาเรื่องเวียนไหวาตายเกิดมามันก็ต้องมีมีผู้ที่ไปเวียนไหวาตายเกิดไอ้ตัวที่เป็นตัวเวียนตายเวียนเกิดตัวท่องไปมันตัวไหนนาะแสดงว่าต้องไม่วิญญาณแหละเพราะรูปมันก็ตายตายแล้วในชาตินั้นๆเป็นต้นแต่มันก็ต้องมีวิญญาณนี่แหละมาเป็นตัวล่องลอยมาก็เลยปักดิ่งลงมาแต่พระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้ไหมตรงข้ามพระองค์บอกว่า เมื่อปัจจัยมีอยู่ความเกิดขึ้นของวิญญาณจึงมีเว้นจากปัจจัยความเกิดขึ้นของวิญญาณมีไม่ได้ วิญญาณนี้เป็นสังขารธรรมอย่างเช่นจักรวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยคือตากับสีโสตวิญญาณแบ่งมาเป็นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายแล้วก็วิญญาณทางใจวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไหลสืบเนื่องกันไปเรียกว่าวิถีจิตเนี่ยนะวิญญาณนั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุและอารมณ์ประกอบพร้อมด้วย อันนสัมปยุตธรรมหรือว่าเจตสิกทั้งหลายที่ประกอบร่วมกับตนเนี่ยนะไหลไปในทวารหนึ่งแล้ววิญญาณเหล่านั้นก็ยังมาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะวิญญาณที่เป็นเหตุวิญญาณที่เป็นผลแต่ทั้งนั้นทั้งนี้วิญญาณทั้งมวลล้วนแต่เกิดจากปัจจัยกุศลจิตก็วิญญาณก็คือจิตเนี่ยนะวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยอันนกุศลวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยอกุศลวิญญาณก็เกิดจากปัจจัยสังขาร อภยกะตะวิญญาณไม่ว่าจะเป็นวิบากหรือกิริยาก็ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยทีนี้ปัจจัยเหล่านี้เป็นเหตุนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยสิ่งนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเช่นปฏิสนธิจิตเรียกว่าชาติชาติเกิดจากภพเนี่ยนะภพก็ภพก็ล้วนภพเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งปฏิสนธิที่คือชาติเมื่อพบไม่เที่ยงแล้วชาติจะเที่ยงมาจากไหนชาติเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะชาติเองก็ไม่เที่ยง เนชรา ม, มรณะเป็นต้นจะเที่ยงมาจากไหนแต่ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไหลไปตามเหตุเนี่ยนะไหลไปตามเหตุถ้าเหตุยังเกิดอยู่ถ้ายังมีปัจจัยอยู่วิญญาณก็ยังเป็นไปสืบเนื่องต่อไปถ้าตัดเหตุตัดปัจจัยวิญญาณทั้งหลายก็ไม่มีเนี่ยนะตัดเชื้อแต่พวกมิจฉาทิฏฐิบอกว่าไม่เกี่ยววิญญาณไม่ได้เกิดจากปัจจัยวิญญาณมันล่องไปเรื่อยของมันเองเนี่ยนะมันเป็นไปตามอย่างที่มันอยากเป็น แล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวเที่ยงบางทีก็ไปคิดว่าวิญญาณบางอย่างก็ไม่เที่ยงแต่วิญญาณบางอย่างเที่ยงอย่างเช่นบางลัทธิเขาถือว่าผู้สร้างโลกเนี่ยเที่ยงแต่สัตว์ทั้งหลายไม่เที่ยงบางเลยบอกเรียกว่าเป็นพวกเอกัจจสตทิตฐิบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางพวกก็เลยทงถือว่าเป็นศูนย์ไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นสติภิกษุที่มีความเห็น พระพุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณเนี่ยเกิดจากปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้ามาพูดว่าเที่ยงล่ะถือว่าเป็นความเห็นที่ขัดแย้งสูงไหมก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิเลยแหละไอ้มิจฉาทิฐิเนี่ยนะมันขวางสวรรค์ขวางนิพพานเนี่ยนะขวางสวรรค์ขวางอริยมรรคมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิจริงๆแล้วมิจฉามรรคทุกข้อพระองค์ตาหนิหมดเนี่ยนะ อย่างพระวินัยพิดกเนี่ยตำหนิมิจฉามิจฉาอะไรมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะเนี่ยนะยกมากล่าวมามาตําหนิมามาติเตียนเนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นคนช่างติเตียนบาปเนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นพวกกําจัดที่เรียกว่ากําจัดบาปทางกายวาจาและใจเพราะสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปพระองค์จะสอนทำเพื่อกําจัด พิดภัยและทุกโทษทั้งปวงเหล่านั้นมิจฉาทิฐิเมื่อเป็นไปเพื่อทุกขเพื่อโทษพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อกําจัดมิจฉาทิฏฐิวพื่อจะได้เข้าใจแบบนั้นความเข้าใจแบบนั้นนี่อันตรายมากความเห็นแบบนั้นความคิดแบบนั้นอันตรายต่อสวรรค์อันตรายต่อมรรคผลนิพพ า, อ น, าอ น, อนอันตรายต่อประโยชน์ตนอันตรายต่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะเรียกว่าทําลายตัวเองเรียกว่าสร้างความมิบัติให้แก่ตัวเองทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปเนี่ย เรีว่ายัางวัตถทุกขให้เต็มเพราะเข้าใจผิดนี่แหละก็อย่างที่ว่าอะไรจะเลวร้ยรายเท่ากับคนเดินทางโดยความเข้าใจผิดเดินทางที่ตัวไปไปสู่ความเสื่อมเนี่ยนะแล้วเข้าใจว่าไปเพื่อความเจริญอย่างบางคนเนี่ยถ้าพูดง่ายว่าเข้าใจผิดตัวเองคิดว่าจะไปอายุยืนที่ไหนได้ไปอายุสั้นเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเสียหายไหมเขาบอกก็เสียหายเพราะนั้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นไปเพื่อหมกมุ่นเฝ้าวัตตะเนี่ยก็เสียหายมาก จะต้องเจ็บป่วยเท่าไหร่จะต้องเกิดอีกกี่ที่จะต้องเกิดอีกกี่ทีและจะต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายอีกกี่ครั้งเนี่ยนะจะต้องประสบโสกะปริเทวะทุกขโทมณัตและอุปาญาตกี่รอบจะต้องไปถูกทําปานาติบาตถูกทำอัทินนาทานถูกทํากาเมสุมิจฉาจาร์ถูกเข้ามู้สาวาตเป็นต้นอีกกี่ภพกี่ชาติและตัวเองจะต้องไปก่อกรรมทําความชั่วอีกกี่อย่างกี่อย่างต่อต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฐิที่เข้าใจผิด จะเข้าใจผิดสิ่งใดก็นามาซึ่งความเสียหายเนี่ยนะก็นำมาซึ่งความเสียหา ย, ย, นะาา ย, หายทีนี้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะก็เลยมีความเห็นร่วมกันว่าภิกษมิตรอาสาติ A ภิกษุนี้เป็นคนที่กล่าวคำที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้ว่าพระองค์ตรัสพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงเลยใช่ว่าวิญญาณ น, นี่แหละท่องเที่ยวไปไม่ใช่อย่างอื่นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นมากล่าวตู่ม า, ม, ามุสามากล่าวบอกว่าโมเมอวันนี้เป็นคําของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชื่อว่าเป็นการประหารชินจักรเนี่ยนะเป็นการประหารธรรมจักรของพระพุทธเจ้าเป็นการประหารชินจักรก็คือประหารพุทธจักรนั่นเองประกาประหารหรือเป็นการทําลายอารยศัต ท, ทั้งหมดของพระพุทธเจ้าหรือหรือศาสนาเลยเนี่ยนะ การที่เป็นมิจฉาทิฐิแบบนี้หรือศาสนาเพียงว่าตัวเองจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นแหละแต่ถ้าของภิสูุ์ทั้งหลายสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ามองเห็นเลยว่าความเห็นที่เป็นทิฐิแบบนี้เนี่ยหรือคําสอนว่าด้วยการกําหนดรู้ทุกหรือคําสอนว่าด้วยการละสมุ ท, ทยัยหรือคําสอนว่าด้วยการทํานิโรธให้แจ้งหรืออริยมรรคหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าเป็นการทําลายทําลายพระชินจักรเลยแหละเรียกว่าประหารก็คือฆ่า อ่านะครัว่าระเบิดระเบิดอะไรระเบิ ด, บ ด, บดพุทธศาสนาเลยแหละเพราะความเห็นเนี่ยถือว่าไร้กาศม า, ากสแสดงว่าเป็นการคัดค้านเวสารัชยานเนี่ยนะคัดค้านเวสารัชยานยานที่ทําให้พระพุทธเจ้าเ ก, กล้ากล้าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าปฏิญาณว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะพระองค์เนี่ยปฏิญาณว่าเป็นพระขีณาสพเนี่ยนะพระองค์ปฏิญาณบอกว่าทำเหล่าใดที่ไม่นําออกจากทุกข์คือ อันตรายิ่งก ร, รมทำทำที่เป็นอันตรายนนะาเนี่ยนะสาติภิกษุเหล่นี้ก็เท่ากับบอกว่าพระองค์บอกว่าเป็นอันตรายเขาบอกไม่เป็นอันตรายพระพุทธเจ้าบอกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่นําออกจากทุกเขาบอกว่านําออกจากทุกวก็แปลว่าเป็นการคัดค้านเวสารัชยานคัดค้านพุทธยานเลยแหละเชื่อว่าย่อมกล่าวกับชนผู้ใคร่เพื่อจะฟังให้ผิดพลาดถ้าเกิดสาติตพิษุเนี่ยนะมีบุญ มีบุญพูดอะไรแล้วคนเชื่อนะนะมีบุญพูดอะไรแล้วคนฟังพูดแล้วคนเคารพนับถือมีลูกศิษย์มีบริวารมากมายเขาเหล่านั้นอาศัยความเชื่อต่อบุคคลแล้วฟังมิจฉาทิฐิเนี่ยนะแล้วฟังมิจฉาทิฏฐิก็แปลว่าพากันล่มสลายหมดพากันล่มจมหมดเนี่ยนะพากันล่มจมหมดแบบอะไรนะคือคนเลวเนี่ยนะคนเลวเนี่ยไปเป็นหัวหน้า แล้วก็พาพาอะไรคูรีดเนี่ยนะพาเหมือนกับคูรีดทำลายทรัพย์สินชีวิตของประชาชนทั้งหลายฉันใดผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยน ะ, ะเมื่อตัวเองมีอำนาจมีบุญเนี่ยนะบุญเก่าเป็นปัจจัยให้ผลพูดอะไรแล้วคนเชื่อฟังเชื่อไหมพาคนไปสู่อาบายทุกขติวินิบนะัตินรกเท่าไหร่ จริงๆแล้วคนที่เขาเข้ามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาต้องการศึกษาคําสอนที่เป็นไปเพื่อสวรรค์เพื่อนิพพานแต่คนที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ชักชวนเขาไปไหนชักชวนเขาไปเกิดเป็นปลาชักชวนไปเกิดเป็นมดเป็นปลวกเป็นแมลงชักชวนกันไปสู่อบายทุคติวินิบาตนารกชักชวนกันไปเกิดเป็นสัตว์น้ําเป็นต้นเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นชื่อว่าอะไรนะเป็นคนที่ทําลายประโยชน์ของผู้อื่นชนิดเรียกว่า ทำลายอะไรมนุษยสมบัติทิ้งเนี่ยนะก็คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใครก็รักใชมนุษยสมบัติใครก็รั ก, ตร ก, รกแต่นี้ทําลายมนุษยสมบัติทําลายสวรรค์สมบัติทําลายสวรรคทุกชั้นนั่นเองแล้วก็ทําลายข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานเพราะเข้าใจผิดก็เรียกว่าอะไรจะเลวร้ายเท่ากับเข้าใจผิดมันความเข้าใจผิดคือมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเนี่ยนะเป็นการกีดขวางทางของพระเรียเจ้า เป็นการขีดขีดขวางอะไรขีดขวางอริยศีน์นะอริยสมาธิอริยปัญญาอริยวิมุตต์ขัดขวางอริ ย, นนรยมรยญญรคเป็นการปฏิบัติเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งโลกหน้าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นมหาชนเนี่ยนะอดเลยแบบนั้นเถอะมหาชนทั้งหลายก็อดจากการบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเนี่ยนะก็ยังยังสร้างเหตุแห่งทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเ e จ้าเปรีย บ, เ ป, ยบเปรียบเทียบพวกมิจฉาทิฏฐิบุคคลเหมือนอะไรเหมือนใส่ดักปลาเนี่ยนะเหมือนใส่ดักปลาเขาบอกว่าเคยเห็นใส่ของชาวประมงไหมเคยเห็นอวนของชาวประมงที่ลากปลาไหมเขาบอกว่าอวนหรือใส่ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะ ดักเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมูปลาใช่ไหมทําให้ปลานี่จเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหมบอกไม่จะวางไว้เพื่อเพื่อทุกข์เพื่อโทษเพื่อความชีพหายไม่ใช่ประโยชน์แก่หมูปลาทั้งหลายฉันใดมิชั่นทิฏฐิบุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนการเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อความทุกขแก่หมู่มหาชนเนี่ยนะเพื่อทุกคืออะไรเพราะเขาเนี่ยพาไปสู่ชาติชาราและมรณะเนี่ยนะขึ้นชื่อว่าชาติชารามรณะก็นํามาซึ่ง โสกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเพราะฉะนั้นต้องชำระความเข้าใจให้ดีๆว่าความเข้าใจนี้ถูกหรือผิดหรือถูกเพราะถ้าเข้าใจผิดแล้วยากที่จะแก้ไขเพราะมิตรมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดิ่งเรียกว่านิจมิจฉาตานิยตาธรรมาเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยดิ่งชนิดที่เรียกว่ า, า, กวาแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนความเห็นไม่ได้ก็บอกว่าเปลี่ยนหน้ายังพอจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนใจใเปลี่ยนยากประาณนั้น โดยเฉพาะใจที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิแล้วไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเนี่ยนะ<ใ>น <olith> บอกว่าอย่างพระพุทธเจ้ายังแก้ไม่สําเร็จอย่างสาติตภิกษุเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังแก้ไม่สําเร็จเลยภิกษุสมัยนั้นก็แก้ไม่สําเร็จพระพุทธเจ้าก็แก้เขาไม่สําเร็จอย่างสูตรก่อนอ拉ฆาทูปมะสูตรเนี่ยนะอริฏฐภิกษุเกวัตบุตรนั้นพระพุทธเจ้าก็แก้ไม่สําเร็จแล้วก็มีสมัมมาเนอีกรูปหนึ่งเหมือนกันที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนั้นก็แก้ไม่สําเร็จเนี่ยนะ อ拉คัทูปมะสูดเนี่ยนะสาติตอริฐาภิกษุหรือสัมเนินกันตะเนี่ยนะภิกษุหรือสัมเนิเหล่านั้นเป็นพวกอุดเชททิฏฐินี่มาเจอศาสตทิฏฐิแล้วมันตกอยู่ในทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งยากที่จะแก้ได้มันการที่เราฟังพระสูตรเยอะๆเนี่ยนะฟังเพื่ออะไรเพื่อชำระมิจฉาทิฏฐิหรืออันนชำระว่าชำระแปลว่าล้างมิจฉาทิฏฐิออกจากใจเราว่าความเห็นตัวใดขัดกับสูตรใดนั่นเป็น มิดชาทิฐิเนี่ยนะวันเราจะต้องชำระความเห็นออกไปเนี่ยนะังนั้นการฟังพระสูตรมากๆฟังพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ยนะโดยเฉพาะข้อมูลที่มาตรฐานเป็นไปตามคำสอนเป็นการชำระชะล้างความเห็นที่ดีที่สุดเนี่ยนะเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นกับน้ำมาชำระล้างมิดชาทิฐิออกไป สมาทานไม่เลยสําหรับคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกฟังพระไตรปิฎกเนี่ยนะอันไหนที่ไม่ใช่เป็นความเห็นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็พร้อมที่จะละพร้อมที่ขจัดออกไปเพราะอะไรเพราะต่อต่อไปมันก็จะขวางเราไปเรื่อยๆมันก็สมาทานอธิษฐานเพื่อกําจัดมิจฉาทิฏฐิขอเราอย่าได้เห็นนอกรีดนอกรอยนอกคําสอนเลยเนี่ยนะนะทีนี้บางคนก็บอกว่าเอา้ามันเราก็ขาดความเป็นตัวของตัวเองสิเราก็มาเชื่อมากเกินไป พุทธศาสนาเรานี่ขึ้นต้นด้วยสารณคมเนี่ยนะก็คื อ, เ, อเราขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าอะไรมอบตนเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นอบน้อมสักการะเคารพพระพุทธเจ้าทุกเมื่อมีพระพุทธเจ้านำทางทนำทางทางกายกรรมวจีกรรมและ มโนกรรมแต่ถ้าตัวเองคิดว่าไม่ไม่พร้อมที่จะมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอย่างแท้จริงก็ถือว่าการมาศึกษาคำสอนก็ถือว่าเสี่ยงนะนะเสี่ยงอย่างไรเพราะเสี่ยงที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะอย่าลืมว่าปุตุชนกับพระอริยะเมื่อใดที่ไหนอย่างไรมันก็คิดไม่เหมือนกันนะอย่างไรก็คิดว่าไม่เหมือนกันอย่างเราเพรสเชอร์เนี่ยเราก็บอกเพรสเชอร์มันในความเห็นของศาสตร์ต่งหลายเนี่ยมีโทษไหม เราก็าจะบอกว่าไม่มีโทษแต่พระพุทธเจ้าบอกมีโทษเนี่ยนะยังก็บอกว่าฆ่าสัตว์เนี่ยโดยที่สุดแม้แต่ฆ่ายุงคนทั้งหลายทั่วไปคิดว่ามีโทษไหมบอกไม่มีเนี่ยนะรักทรัพย์นิดๆหน่อยๆเนี่ยนะไม่มีไม่เป็นไรเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่ามูสาหลอกกันเพื่อหัวเราะเล่นก็ไม่มีโทษเพรา ะ, ะโดยมากกิจกรรมสรัตว์ทั้งหลายถือว่าเป็นไม่มีโทษแม้กระทั่งว่าปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปเห็นว่าอากุศลไม่ได้มีโทษอะไรเลยนั่นเป็นความเห็นโดยปกติของ ศาต์ทั้งหลายอันนี้แค่ว่าศาตร์ทั้งหลายมีความเห็นแม้กระทั่งอกุศลกรร ม, มบทก็ถ้าผิดพลาดก็ไม่มีโทษกุศลกรร ม, มบทรักษาก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าปฏิเสธถึงพวกวิปลาสปฏิเสธอกุศลธรรมอันอื่นเป็นอนเนกอีกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ศึกษาคําสอนเนี่ยจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเมื่อใดเรามีความเห็นคนละอย่างกับพระพุทธเจ้ามีความเห็นตรงกันข้ามกลับข้างกับ พระพุทธเจ้าอันนี้เราก็ชื่อว่าเสื่อมจากพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็ตกหล่นจากพระพุทธศาสนาอย่างสาติตภิกษุเนี่ยนะเขามีความเห็นอันนี้เนี่ยชื่อว่าตกจากพุทธศาสนาแล้ว